ธรรมาชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงทําในวันที่30กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่ายายงวนหลงป่าวันนี้เป็นวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2 0 0พัน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 มาตั้งแต่ดึกดำบรนตั้งแต่หลวงพ่อไปจำบรรษาปี2 5ง0ันหานะเมื่อสร้างสลาหลังนี้เสร็จเห็นมาป้ายอยู่ที่ห่องพระประธานพอสร้างสลาเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปจำพรรษาพอเสร็จเดือนพฤษภานะพฤษภามิถุนากรกฏาหลวงพ่อก็ไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านเพิ่มประเดิมเป็นครั้งแรกพี่พระจำพรรษา ลุงพ่อจำพรรษาที่บ้านเพิ่มเน่่นะก็ศรัทธาญาติโยมลูกหลานเหล่านี้แหละเป็นผู้ดูแลอุปถรัรมภ์ปัทภะตลอดถึงลูกชายลูกสาวลูกเขยมาช่วยดูแลตระกูลเนี่ยละตระกูลพระตูช้างพระตูงวนเนี่ยต่อมากรท่านอาจารย์สดหลวงพ่อสดไปจำพรรษาปีสองพัน ห้ 500. าร้อยามอหลวงพ่อสดไปจำพรรษาตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ท่านก็จำพรรษามาโดยตลอด อ, อันนี้ก็คือเราก็ไปมาหาสู่กันถึงจะหลวงพ่อไม่ได้ไปพวกลูกหลานเหล่านั้นก็มาหาไปมาหาสู่ถือว่าเป็นศรัทธาญาติโยมผู้มุ่งมั่นในอัตในธรรม แต่เมื่อวันที่ยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่ที่ผ่านมาแม่ตูงวนนะ่ะที่ว่าเนะี่ะที่โยมอุปถัมภะถากวัดป่าบันเพิ่มมาตั้งแต่หลวงพ่อไปอยู่แล้วก็ไปวัดเกือบไม่ขาดอ uh. วันที่ยี่สิบสี่ช่วงนี้เป็นช่วงเห็ดออกจะมาหนะเดือนกรกฎาเนะี mm ่ย hmm. เห็ดอะไรเห็ดตะไคร้เห็ดละโงกอนะผู้เท่าไปวัดก็อือ ข้าจ ะ, จะไปหาเก็บเผ็ดมาใส่บาททําบุญตักบาทนะลักษณะอย่างนั้นนะคนแก่แต่ลู ก, ล, กล้านเขาก็ห้ามไปยังไงยายอายุเจ็ดสิบห้าปีแล้วไปได้กระโจนคนอื่นไปคนอื่นคนรุ่นราวข่าวเดียวเขาก็ไปไม่ได้เพราะมันสุขภาพของเขาไม่ดีถ้าข้าไม่ไปข้าไปคุณเดียวก็ได้ได้ต่กล้าอันหนึ่งแล้วกันคือมีด ทั้งที่ลูกสาวคนจุดท้องก็ห้ามแต่แกก็ไม่ฟังพอลูกสาวไป เ, เป็นครูสอนเด็กเด็กเล็กพอออกจากบ้านแต่แกก็ไปเลยเไปนู่นเข้าไปหาเห็ดพอไปได้นี่ไม่ได้ไปเรื่อยไปไปเรื่อยเอพอค่ํามาพวกลูกหลานก็หากันเลยแต่นี่ว่ายายไปไหนตั้งแต่ห้าโมงเช้า ระดมกันทั้งคืนไม่เจอวันลุงข น, นัญกหาอีกทั้งวันก็บไม่เจอตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่สิบเอ็ดโมงเช้านะผลที่สุดหลวงพ่อก็มาทราบวันที่ยี่สิบเจ็ดพ่อน้อยพูดให้ฟังว่าตุ้งหวนหายเลยหลวแม่ตุ้งหวนหายหนะ่ะว่าหา ย, ยัางไงคนอายุถึงขนาดนี้เราไปที่ไหนนะ่ะฝนตกทั้งคืนวันที่ยี่สิบ วันที่ยี่สิบหกวันพระเนะ่ะสิบห้าค่อฝนตกทั้งคืนเนี่ยทายัางไงฝนตกแรงอีกต่างหากในเขตของเราเนี่ยไม่ทราบเละตายเลยท่านนี้ว่าพอสอนฉันจะขัดเสร็จตอนเช้าวันที่ยี่สิบเจ็ดลูกเขยก็มาหาหลวงพ่อลูกเขยไป็นตุ ง, งวนโอ้ยแม่ตูงหายหลวงพ่อออหลวงพ่อก็บอกเออไป ไปหากลับไปหาอนะไปหาทางโน้นอ่ะทางถ้าปลากันี่แหละตีนเขาทางนี้อีพอไปกัไปเจอแม่ทู่มาพอดีอยู่ที่ถ้าปลาที่หลวงพ่อไปภาวนาอยู่ทางทิศตะวันตกบ้านเพิ่มนะ่ะห่างห่างจากบ้านเพิ่มเดี๋ประมาณสักสองกิโลกว่าๆหลวงพ่อว่านะเขาก็ไปเจอเจอมาเขาเขาเรีบมาบอกวันที่ยี่สิบเจ็ดโอ้หลวงพ่อเห็นแล้วเออเอาดีมา จานั้นเขาก็เลยนิมนต์หลวงพ่อให้วันที่ยี่สิบแปดขอหลวงพ่อไปฉันจังหันบ้านองค์เขาก็เพื่อรับขวัญกําลังใจให้ลูกให้หลานด้วยเพราะว่าขวัญหนีดีฟอร์ไปหมดแล้วหลวงพ่อก็เออเอารับนี่แหละคือไปโดดโดยที่กระทันหันฮะหลวงพ่อก็รับก็นิมนต์หลวงพ่อสดหลวงพ่อเรืองหลวงพ่อเทืองหลวงพ่ออะไรแถบๆนั่นแหละ ห้าหกสี่ห้าหกวัดมาฉันจะหันอหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นไงแม่ตู้ไปยังไงวะแม่ตู้เขาก็บอกว่าพอเขาไปเขาหาเก็บเห็ดหาหน่อไม้ไม่ได้เขาก็เลยไปไปเลยเดินไปเลยเออมันไปยังไงล่ะมันไม่มืดไม่ค่ําแล้วอ่ะเขาว่าเดินมเหนื่อยแล้วก็ไปนั่งนั่งกับภาวนาพุโทโธพุโทพโธไปด้วยเหมือน แต่มันไม่มืดแต่แกวานนะมันไม่ค่ามันไม่มืดมันสว่างอยูอ่พอไปนั่งพอไปนั่งลงใบไม้อยู่ข้างๆมันเป็นแสงสว่างเหมือนกระเทียนมันสว่างแต่เราไปจับมาดูเป็นใบไม้มีเห็นคนไหมคนขนเยอะเงอนข น, นเยอะแต่ไม่รู้จักเขาว่าเป็นใครแต่เขาไม่ถามเราก็ไม่ถามเขากันเพราะเขาไม่ถามเร า, าเขไม่มาใกล้ แต่ผู้มาใกล้ก็คือพ่อปู่กับแม่ย่าแม่ย่าเดีมาตาบันหมากมาอยู่นั่งข้างๆนะถามไปยังไงลูกสะพ้ยจะมาหยังมาหาเก็บเห็ดม า, าเก็บหน่อไม้นได้บ่นอะทั้งที่ไม่ได้นะเราโกหกแม่ย่าได้ได้อยู่ผุนอะไรยังโกหกแม่ย่านะแต่พ่อปู่แม่ย่านั่งอยู่ใกล้เหมือนกันแต่พอตู้งวนเน่ย เห็นอยู่ผ่านห่างๆางแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์แต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นองค์ไหนผ่านมอกแแบบว เ, เวลานั่งนั่นแหละได้หกล้มครั้งหนึ่งที่คางเนี่ยดำหมดเลยเพมันไปกระแทกกับพื้นนะ่ะแต่แถวขาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีตะหนามเกี่ยวน้ําเกาะไม่ได้ทานอาหารเลยแต่หิวไม่ไม่หิวไม่ ห, ไม ห, ไมหิวไม่เหนื่อย แต่ทานน้ำดื่มน้ำอยู่ไปถึงคลองน้แล้วก็เลยดื่มน้ำถ้ากินมากก็ไม่ได้กลัวจะปวดท้องกินหน่อยหนึ่งกินน้ำสองครั้งแต่มันคอแห้งแล้วจะตอนจะกลับมาเป็นยังไงฟอนจะกลับมาเขามาส่งมีคนมาส่งเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยเหมือนเขาเขาบอกว่าเนี่ยไปตามทางนี้นดะอย่าแม่ตู้นะอย่าไปปีกไปทางอื่นนะไปตามทางนี้แหละจะถึงบ้านเขามาส่งก็เลยเดินมา มาเขมาเจอกับพวกที่ไปไปเห็นไอ้พวกที่ไปเห็นกับพวกหลานพวกหลานเคยพวกหลานเคยเอ๊ะเมตุนมาจากไหนมาคนเดียวหน่อยแมตู้เจ้ามาตางไหนอยไปหาเก็บเห็ดมาเ้าเจ้าเสื้อว่าจังไได้ชื่อเมตูนหัวหนุ่โอ้พวกนี้ก็เลยเข้าไปโอบกอดเยป้าป้าป้ป้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอุ้มพวกั้น เดี๋ยวมัจะหกล้มเราไม่ได้กินข้าวทั้งหลายวันพู้เท่าไม่ได้เดินได้อยู่ก็พอไผลที่สวดพวกกลุ่มหนึ่งเข้าไปก็เลยได้ อ, ออกมาฮะนี่แหละอันนี้ก็คือแม่ตู้ที่ทหายไปหายไปแบบกระทันหันแต่ก็มาหาหลวงพ่อนะเหลวงพ่อพอได้ยินพ่อน้อยหลวงพ่อสักเคธไปเจ้าเหล่าเทวาเหมือนกันนะเ อ, อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ พอลูกเขยเขามาลงพ่อก็ไปกราบพระที่พระประธานลูกหลวงปู่มั่นหลวงตา ล, งลูกปู่ลาคุณแม่ชีแก้วเออบุญบารมีของครูบาอาจารย์ช่วยแม่ตูนะเนอะอผู้เท่าปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมาโค้งสุดท้ายแลวจะมาหายสาบสูญตายแบบออไม่มีอะไรเลยนตะดูดูจะไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมสำหรับเขาถ้าว่าเว้นเสียแต่เขามีบาปกรรม อในอดีตชาติจริงๆก็ไมก่กระสุดแท้แต่ในถ้าหาว่านั้นก็ขอเทพเจ้าเราเทาวาทั้งหลายช่วยผู้เท่าโดยเทิดหลวงพ่อก็ตั้งจิตติฐานเท่านั้นแหละจากนั้นพอเขากลับไปเขาก็เห็นเห็นเขาก็บอกโหาหลวงพ่อนี่บอกให้ไปทางนูง้นไปเห็นจริงๆหมอนหะลวงพ่อก็เลยเหมือนหลวงพ่อตาทิพย์ลักษณะอย่างนั้นแล้วนันไป แต่ตาไม่จริงตาไม่ทิพย์หรอกยายตูหงวนมาเมื่อวานเขาก็เลยทำบุญหลวงพ่อก็ได้ไปทำบุญแล้วกนี่แหะต่อไปยายนะอย่าไปไปสม 4, สีสมหานะอันนี้มันคงจะรับวิบากกรรมมัง้งวิบากกรรมตัวเองอาจจะไปขังหมูหมากาไกา่หรือขังนกขังอะไรก็ไม่รู้หละไปตากแดดตากฝนไว้นะ เนี่ยแหละคงจะใช้กรคำตัวนั้นแหละมั่งไปฝนตกทั้งคืนเนี่ยหนาวไหมล่ะยายวะไม่หนาวใช่นหะแต่ตามไม่จริงฝนตกทั้งคืนน้นาไหลแล้วแต่แกว้ว่าไปนั่งอยู่ น, น้ําไหลทั้งสองข้างเอยน้ําไหลทั้งข้างหนาวไหมไม่หนาวนะแต่ตามไม่จริงอายุถึงเจ็ดสิบห้าขนาดนั้นน่ะน่าจะเป็นตะคิวนะ่ะฝนตกทั้งคืนเน่ะอันนี้ไม่ไม่หนาวนะถามออืแล้วก็ไม่หิวอนะ ก็แปลกเช่นเดีอนกันนะคงจะอเนิสงของผู้เท่าทำบุญทำทานบุญกุศลที่คุ้มครองนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมหลงพ่อก็เลยพูดเล่าให้ลูกให้หลานฟังน้านลูกหลานทั้งหลายนะเนี่ยแหละยายคนนีย้ยายเป็นคนมีศีลมีธรรมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม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 แต่ทางว่าพวกเราไม่ได้สร้างไว้เนะี่ยเราจะนึกถึงอะไรหลวงพ่อก็เลยเล่นานิทานประเทศพมา่าให้เขาฟังแต่ไม่ใช่มานะมาในพระไตรปิฎกนะลูกหลานนะอันนี้เป็นนิทานชาวเมืองพมา่าเขาพูดให้ฟังหลวงพ่อฟังแล้วก็ออเอามาเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังอมียายคนหนึ่ง เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเป็นผู้มีศีลธรรมไปที่ไหนก็นั่นแะเฉลือเผื่อแผ่ได้อะไรมาก็าแบ่งปันถ้เท่าที่จะแบ่งปันได้เวลาเขาตําข้าวครกกระเดื่องพอตําข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ข้าวที่มันหักปลายก็หวานให้ไก่บ้างให้เป็ดให้ไก่กินบ้างเพราะมันข้าวมันหักข้าวที่จะมาเนึ่งเข้ามาเนึ่ง แล้วก็ข้าวเปลือกทำมันมีมากก็แจกอย่าพี่น้องมาที่เขาอยากจนมากว่าเราก็ให้เขาแต่ทึ่ยังไงเราก็มีอยู่มีกินเก็บเอาไว้ไม่เหงาอดให้อยากอยู่แล้วแต่จํานวนที่เหลือก็แบ่งแบ่งไปอันนี้คนยายเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางไม่จิตใจเป็นธรรมเนี่ยจิตใจมีน้ําใจแต่นี้่ายายเนี่ยก็ได้ลูกชายคนหนึ่ง ลูกชายต่อมาพ่อก็เลยตายลูกเลยแต่งงานให้ลูกชายพอเลยแต่งงานให้ลูกชายลูกชายก็ได้เมียมาแล้วแต่นี่เมียก็คนขี้ทีป่าเนี่ย เ, เป็นคนขี้ตนีทีเหนียวอีกทนมันเข้ากันไม่ได้กับแม่ยา่าแม่ย่าเนี่ใจกว้างขวางแต่ลูกสะพ้ยเนี่ยมันคนขี้ตะนีะเนี่ขี้ตนีทีเหนียว ขนาดไก่กินข้าวเนะ่ยยังจะฆ่าแล้วแหวเอาเนียงมันก่อนเอมที่ไก่กินอยู่ในเนียงของมันใช่ไหมนั่นจะเอามาอีกอกับแม่ย่าเลยเพอตำโคกกระเรืองเสร็จแล้วกันนะ่ะหวานให้ไก่กินนะแต่ลูกสไพนเะนี่ยโอ้โหขวางหูขวางตาเหมอนนะ่ะคือจะให้ใครเนะี่ยแปลว่าไม่ให้ตกไม่ให้หลนะ่น คนขี้เหนียวกับคนใจกว้างมันไม่เข้ากันเนยแต่เนี่ยพอทําอะไรแม่ย่าทาอะไรมันขวางเน่ยตาตัวเองแต่นี่ยก็นานเข้านานเข้ากับยื่นโนติดให้ผัวเลยต่เนี่ยเฮ้คุณจะเอาแม่หรือคุณจะเอาฉันไว้หน่ะถ้าฉันอยู่แม่จะไม่มีถ้าแม่มีฉันจะไม่อยู่ท่านจะเอาอะไรทั้ง ผัวเนี่ยก่อนโอ๊ยก็เอาทั้งสองแล้วรักทั้งแม่รักทั้งเมียแล้วเมียก็รักแม่ก็รักเอาไว้ทั้งสองนะ่ะไม่ได้แหมแบบเด็ดขาดเลยถ้าจะเอาฉันไว้ต้องไม่มีแม่ถ้ามีแม่อยู่ฉันจะหนีมันเข้ากันไม่ได้อมันช้าใจมันทุกข์ใจนะฉันจะหนีทางผู้ผัวก็เราบอกถ้าอย่างนั้นจะเอาอยัางไงรไะถ้าไม่ให้แม่อยู่จะทําไง อจะทํำยังไงพูดทเซสโอ้ยอย่าไปยากอะไรเนี่ยเราชวนแม่ญาติไปหาเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้ในป่าเห็ดเก็บผักในป่าพอทีนี้นก็ชวนไปแล้วกันไปมัดไว้ในก็เสือเอามาเสือกินแล้วก็บจบทยจะไปยากอะไรเฮ้เอจะ ง, งั้นเหรอเอาเอาเขาเอาเอานี่ยแหละลูกชายาลูกชายเชื่อเมียเถอะนี่ย พวกลูกสายเชื่อเมีเอก็พาแม่ไปแม่ก็ชวนแม่แม่ก็ยกจะเป็นคนปา่าคนรงอยู่แล้วยชวนไปแม่ก็โอ้ดีอกดีใจลูกจะพายกับลูกชายชวนไปหาเก็บเห็ดเก็บผักไอแม่ก็ไปพอไปก็ไปถึงตีนเขาเละพอไปถึงตีนเขาแล้วก็ถึงจุดที่ต้องการแล้วก็ลูกชายกับลูกจะพายมัดนละ มัดแม่ญาติฮนอะมัดแม่ญาใส่ติดกับต้นไม้เอามือไผ่หลังฮะมัดมือไผ่หลังเกาะต้นไม้อพอมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มัดตายอีกอ่ะไม่เห็นอีกอมัดปากอีกมัดตายอีม่ร้องได้จากนั้นก็กลับและสองสองผัวเมียมก็กลั บ, ก ล, บกลับบ้านมาพอกลับบ้านจะได้ก็พอค้ำค้ำมา เสือมันก็อยู่ในละแวกนั้นใช่ไหมเอเสือมันอยู่ในภูเขามันก็ออกหากินเเนออมันก็ร้องแหละเบาอ่ะเขาบอกเบาเขาเนี้มันพราะมันหงมหรือมันเหมือนกับเสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโอ้หัวหดหมดเละเสือมันร้องเสือเสือโค้งใหญ่แต่ได้เสือมันก็เดินบนไปมันถูกกลิ่นคนแต่นี่ยเพราะถกกลิ่นคนเอ่ำคนอยู่แถวนี้แล้มันก็ เด็กเข้ามามันจะมากินยายเลยแต่เนี่แต่นี่ยผู้มลุกษเทวดาอย่างยายหวนเห็นเนี่ยมั้งที่เราพอมองไม่เห็นเนเออผู้มลุกขาเทวดาเห็นนึกออกไปห้ามไ อ, อ้เสือยศเจก้กรเดี๋ยวเราไปถามดูเจ้ากอนว่ายายเนี่ยเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นคนมีศีลธรรมหรือเปล่ายศอย่าเพิ่งเข้าไปนะ เสืมพอมันก็หยุดพอภูมิภูมิมาลุขะเทโดาอกันเอาไว้จากนั้นภูมิมาลุขะเทวดาเนี่ก็เจ้าป่าเนี่ยเจ้าป่าเจ้าตรงเนี่ยที่เป็นหัวหน้าเทวดานี่อไปเก็บโอปีกไก่ป่าใช่ไหมไอ้ขาวบอขนไก่ป่านขนปีกไก่ป่านมันไก่บ้านของเราเน่ยมันหล น, น่อพอจับมาเลิดได้ขนไก่ปีกไก่ มาแยงเข้าจมูกใาญ่เลยเทวดาก็คิดแปลกเหมือนกันนะมาแยงเข้าจมูกใายแล้วก็หมุนหมุนหมุนหมุดเลยเจากในใั้นยายมันก็จามเลยที่ใจแม่แฟงพุทโธธรรมโมสังฆอนิพพานั่งมาท่านใหญ่หวาน <laughs> พออีกแยงเขาอีกบังเอิญหรือเปล่านะเทวดาก็ยังไม่มั่นใจเแยงครั้งที่สองอีกกว่านั้น พุทโธธโมสังโฆนิพพานังแย่งเข้าไปอีกครั้งที่สามทดสอบทั้งสามครั้งเหมือนกันนะพุทโธธโมสังโฆนิพพานังทั้งสามครั้งโอ้ยยายเป็นผู้มีศีลมีธรรมขนาดไอจามก็ยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เฮ้ยเสือมึงจะไปกินนะถ้ากินคนคนนี่นะ่อมึงตายไปแล้วไม่ได้เกิดเป็น อีกนะวันตกนรกหมกไหมลุมไหลก็ไม่รู้หมกไปออกหากินที่อื่น เ, เจ้าป่าเขาก็เลยไล่เสือตระนักออกไปหากินที่อื่นพอจากนั้นโอ้ยายคนนี้เป็นคนมีศีลมีธรรมวะ เ, เขาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระนิพพานอีกต่างหากเอา้าไปแก้เชือกให้เขาะเจ้าป่าก็เลยมาแก้เชือกเปล่กแก้เชือกเลยกันหาอาหารทิพย์ อาหารที่มันมีเอามาให้ยายกินยายก็กินอาหารเสร็จแล้วนาก็นอนเสร็จแล้วมันเหนื่อยเลยเขามัดไว้นะ่ะพอนอนเสร็จแล้วก็ผู้นี้เช้าสว่างขึ้นมาเทวดาก็ไปหาอันนั้นแนะหาไหไหไหก็คือกระออมหรือว่าอนะันนั้นที่ใส่ทองที่เขาฝังดินไว้นะ่ะเขามากะพอน้ําหนักพอยายที่จะเอาไปได้นะ่ะเขามาไว้ข้างๆพอยายตื่นขึ้นมาก็เห็น ไม่มีใครเนี่ยอันนี้เขาเอามาให้เรามาัดนายายเลยจากนั้นยายก็เลยหาผ้าใช่แล้วก็มามัดแล้วก็ใสบ่ บ, ตบาตแล้วก็ตะไคร้ไห้เงยไหทองนะออกไปไปโอ้ยกูไม่ไปหาหรอกลูกชายลูกจะไปทำไปเขาคงจะฆ่ากูอีกบ้างจากนั้นก็นไปหาญาติผู้ใหญ่ที่รักเคารพนับถือบ้านอื่นะไกลๆอย่างนัน้พอไปถึงที่นั่นก็ไปอยู่กับเขา เสร็จแล้วก็ยายคนนั้นพยายามเอาทองออกมาขายพอขายก็สร้างบ้านสร้างฐานะขึ้นโอ้โหยายเนี่ยรวยเลยเท่นี่คนแถบนั้นระเบิดเถิดเถิงดังเลยว่ะยายเป็นคนได้ทองคำมาจากไหนเนะี่ยแต่ด้ทางหลูกสะพ้ายทางหลูกชายอยู่ทางนี้ก็เอ๊ะได้ยินว่ามียายคนหนึ่งไปอยู่ทางโน้นมันเป็นแม่ของเราหรือเปล่าวะไปดูดูซิ แสองผัวเมียเนี่ยลูกกาล ก, กินีเนี่ยก็ไปดูๆโอ้ใช่เป็นเป็นแม่ของเราจริงๆโอ้รวยเนี่ยถามสอบสามโอ้รวยจริงๆเหมือนนได้ทองคําบอกว่าลูกชายลูกจะไปมัดใส่ต้นไม้เที่ยวแล้วก็ได้ทองคํำแต่พอกลับมาทเจไดกัทางอียายขี้โรคอี๋ยายขี้ทีเนี่ยเมียของไอเด็กบอก เอาชันไปผูกไว้ที่ต้นไม้ต้นนั้นนะคนมั้ยเผื่อจะได้ทองคนมั้ยเออมันจะรวยเหมือนกับแม่เราคนมั้ยเอาไปมัดไปต้นนั้นหน้าคนมั้ยทางหัวฟังเมียเหมือนกันใช่ไหมอยากจะรวยอีกเหมือนกันป่ะไปเลยก็เลยชวนไปก็ไปเห็นต้นไม้ต้นเก่าใช่ัหมก็มัดแขนไผ่หลังอีกอย่างเก่าใส่ต้นไม้มาเนีเออพอใส่ต้นไม้เสร็จแล้วก็มัดตาไว้อีกมัมัดปากอีกเหมือนกันเหมือนกับ เหมือนกับทำเหมือนกับทาให้แม่เหมือนกันเถอพอทําให้แม่เสร็จแล้วก็ผู้ผัวเลยกลับบ้านแล้ยจะเลยกลับมาคอยอยู่บ้านเพื่อจะได้เมียจะได้ทองคํามาดดเอจากนั้นพอตกตอนเย็นมาเนี่ยเสือมันก็มาอย่างเก่าเพราะมันเป็นถิ่นเสือใช่ไหมละ่ะอสินเสือออกหากินในในละแวกนะั้นมันตีนเขานะเนี่ยเสือมันก็ร้องแล้ว เมาห่ำเ ม, มื่อเก่านําำังนเลยสองสามเทวมก็นนมกเดินเข้ามาเมติถูกกินคนเนยมันก็จะเข้ามาไอเจ้าป่าเจ้าโด่งก็ห้ามไอ้ไอ้เสือเดี๋ยวค่าทดลองดูก่อนว่าเป็นคนคนนี้มันเป็นศีลเป็นธรรมไหมถ้าว่ามันเออฉันยังยังค่อยยังค่อยว่าตามเรื่องมันมึงอย่าไปกินไม่ได้นะแต่กินคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีมึงอยากกินนะาไห เห็นไหมสมัยก่อนก็เหมือนกันใช่ไหมหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชอบไปอยู่ในป่าดงพงไผ่เนี่ยเสือก็ยังไม่กล้ากินใช่ไหมล่ะเเออท่านมีอะไรท่าไม่มีจัตตราอาวุธอะไรแต่เสือก็ยังไม่กล้าเพราะมันเน่ยเทวดาคุ้มครองนะอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นนะอันนี้เธอเทวดาเจ้าป่าเนกันบางทีมองไม่เห็นมนุษย์มองไม่เห็นแต่มันเป็นภูมิมั่นลูกะเทวดา ท่านก็ได้ปีกไก่อย่างที่ว่านะั่นนะเนี่ยปีกไก่ที่มันหล่นขนไก่ขนไก่ที่มันหล่นมาก็มาแยงเข้าจมูกเออลูกสะพ้ยขีดถีนอีกเมืนะ่อกี้นั่ะพอแยงเข้าไปก็จามอยู่เหมือนกันพอแยงเข้าจมูกทดลองพวกเราทดลองนะมันจามหรือเปล่าทดลองก็ไดนะ้พอจามแฟวงให้เงินให้ทองอยู่ น, นะไอ้คนวะเนี่ยเพราะมันเพราะมีความ ไม่ความอยากจะได้ได้มันขี้โลภอยู่แล้วใช่ไหมอ อ, อยากจะได้ให้เงินให้ทองอยู่แล้วพราะแม่ญาติได้ให้เงินให้ทองเห็นหมเทวดาก็จับแยงอีกมันจริงหรือเปล่าวะใสแ่แยงเข้าไปแอะแฝงให้เงินให้ทองอยู่ได้แยงถึงสามครั้งวันนี้ไหนยังพูดอย่างเก่าอยู่เออเทวดาเจ้าป่าเจ้าตรงอลไรบอเอยเสือคนคนนี่มันขี้โลภไปจัดการตามหน้าที่ของมึง เสือตัวนั้นเดินเข้ามากับคำหมำ่อมะซะกินอินอางนะซะเหลือแต่กระดูกวหมือนนเอะกอกินเสร็จแล้วท่นี้ไอ้ทางผัวอยู่บ้านก็คอยแล้วคอยอีกไอมคอยเมียเหมือนกันเถะพอจะเอาเมียจะเอาทองคําเออเอามากลับมาบ้านเหมือนกันสามสี่วันพอไปดูดูดูไปดูเห็นแต่กระดูกกับกระโหลกกล่องกระจายอยู่แถวนั้นน่ะ นี่เนะนี่ยิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะีถ้าคนดีแล้วตกน้ํำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปอยู่น่าจะฐานที่ใดคนดีช่วยถ้าเป็นคนดีนะีถ้าเป็นนักเลงหัวไม้ถ้าใครคนชั่วขึ้นไปแล้วไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ไหนมีแต่คนเขาจะชี้ให้ตำรวจไปจับนะนี่แหละไม่มีใครคุ้มครองนะถ้าคนถ้าคนชั่วนะถ้าคนดีภนะูมิลุกขะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองนะ เพราะนั้นอย่าทำความชั่วความชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำลงไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังทําแต่กรรมดีถ้าทำกรรมดีกรรมสิ่งที่มันดีกรรมดีจะคุ้มครองนี่แหละยายหวนก็เหมือนกันถึงพุทธเาจะพัดจากลูกจากหลานไปตั้งสามสี่วันไม่ได้กินข้าวอยู่ในป่า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 เมื่อวันที่29หลวงพ่อก็ไปฉันอยู่ที่สำนักเขตพื้นที่การศึกษาเขต4บ้านผือโออันนี้ก็พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเยอะเขามาคัดลายมือเอานักเรียนมาคัดลายมือวันภาษาไทยในะวันเมนะื่อว า, านะวันที่29กรกฎาคนมะเป็นวันเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติมัง้งแต่หลวงพ่อจะไม่ผิดนะถ้กว่ายอย่างนั้นลราเมื่อวาน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 ปัจจของคุณสมบัติฉเฉลิมมุตินันที่ผู้ที่ถวายช่างเจดีหลวงตานั่นน่ะหนึ่งรอล้านแต่ถวายฟ้าหญิงแต่เขามาทอดกรถินเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีหลวงปู่คูนของพ่อคูณจะมรณภาพเน่ยเขามาทอดกรถินแต่นี้พอหลวงปู่พ่อคูณมรณภาพก็ก็บอกว่าเราก็กายังขาดเงินอยู่ประมาณห้าล้าน เขาก็เลยถวายมาสมล้านเมื่อวานเนี่ยลบเขาก็เลยเอาเป็นด้าบมาเสียต้มถวายมาให้มอบให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยมอบให้หลวงปู่บุญมีเมื่อวาเนเออคุณสมบัติกับคณะบริษัทเอเชียโกลเดนไลท์มอบปัจจัยสามล้านนะเพื่อสร้างเกียรของหลวงพ่อโคนะมอบถวายหลวงปู่บุญมี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 ก่อนหน้านี้เราก็ได้ถวายไปแล้วล่ะสองแสนเสียต้องอีก2องแสนหนะเราก็โอนให้สร้างแล้วนะเกือบหมดตามว่ามันเกือบหมดเ ม, มืเ่อนะวานนะจากนั้นเราก็ไปออกจากวัดรลปงปู่มีคารวะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปวัดหลวงปูล่ลีวัดหลวงปูล่ลีหลวงปู่ท่านก็ใจดีนะท่านไปรับพวกเราอยู่นู่นบนเจดี แต่ไปคอยพวกเราไม่ไปง่ายป่ะนี้เพราะมันทางไกลฮะก่อนจะไปถึงได้ประมาณเกือบบ่าย3โมง2งโมงกว่ากว่าจากนั้นเราก็ท่านก็มารับจุดที่ข้างข้างศาลาของท่านแล้วก็เราของคารวะท่านแต่พวกเราหลวงพ่อตั้งใจไว้นะรวบรวมจิตุปั จ, จเพื่อสร้างเจดีย์ของหลวงปู่ี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 คณะจัตวาญาติโยมลูกหลานทุกคนอนุโมันาแล้วก็พร้อมกันรวมปัจจัยที่เราถวายสร้างเจดีย์หลวงปู่ลีเนี่ยเป็น2องล้านห้านะทั้งหมดทั้งหมดนะปัจจัยสองล้านหที่รวมกันทั้งข่าวข่าวก่อนๆรวมทั้งเมือวานนี้นจากนั้นเราก็คารวะหลวงปู่หลีเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปกราบคารวะหลวงปู่เพ่งทำกองเพลน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 แบ่งเป็นสอง้อาวได้องค์ละสองหมื่นกว่าบาทจ้ะนะี่ละเมื่อวานเนี่ยจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับล เ, เมื่อวา น, น่กลับมาถึงวัดก็โอ้ดึกค่ำพอสมควรนี่แหละภาร ก, กิจของหลวงพอ่อสองวันที่ไม่ได้อยู่วัดบอกให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะได้รับรู้รับทราบวันนี้พูดเสียยืดยาว ทำให้พู้ที่ฟังเดี๋ยวกนลืมลูกหลานก็คงจะไม่รู้นะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พร